สำหรับการแนะนำในการเจริญพระาธรรมฐานในวันนี้ก็จะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายก่อนได้ถือว่าคำสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคำสอนมาตรฐานประจำสำนักเป็นการสอนประจำกันในสำนักของเรา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 แต่ว่าวันนี้ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรมเรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะคำว่าดีของโลกไม่มีโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่านแปลว่ามีอันที่จะต้องสิ้นหายไป สัพนี้ยังจงหยาดือว่าเป็นคําหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดดังนี้คาสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทิบาตไมีสิบเกันอิทิบาตแปลว่า ค, คุณธรรมที่ทําให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง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 แล้วก็คนในสำนักเรานี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่นี่ยเลิกกันสินะถ้าไม่เลิกไม่ชาที่นี่ก็ไม่ไหวมี่กันรับไว้ไม่ไหวไล่กลับอย่าให้มันมีมันอยู่ในสำนักของสมณะเปราผู้สงบยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกเนี่ยมันนั่งอยู่ก็ททำไม ไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราไปนี่เพราะอะไรก็รเพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเขาเสียด้วยสำหรับอธิบาตสี่นี่มีอย่างนี้หนึ่งันทะความพอใจคื อ, อพอใจในการปฏิบัติความดี สองวิริยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังส า, ายใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลานี่ว่าปัญญาในที่นี้ ต้องใช้ใครควนเป็นตัวนำอยู่เสมอที่เรียกนั้นว่าสัมมาทิฏฐินี่อิทธิบาทสี่ข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไรพวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือ ว, ว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรผมก็อยากขอนําถ้อยคําการขอบรรยายชาเอาสมัยก่อน สมัยใหม่นี่ผมไม่ค่อยอยากจะคบนักว่าอะไรอะไรมันใหม่ไปหมดเต็มพระไม่เคยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเก่าเก่าราคาแพงกับของใหม่มาก <c oughs> นี่การคำขอบันทึกชาก็ไม่กันของเก่าราคาแพงกับของใหม่ มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพานสสะสจิกิยายะเอตังกาสาบางังกเหตวาถึงแปลเป็นใจนความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวาพัดเพื่อจำทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่เราขอบรรพชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังมีถ้อยคำว่าต้องการพันิยานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนุ่าคํญญาภีร์ยานของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนว่าเราต้องการพันิยานในเมื่อเราต้องการพันิยานแล้วเวลเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันท่าความพอใจ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 ได้กันหนึ่งตัดโลภะความโลภออกจากจิตด้วยเมนด้วยการให้ทานสองคุดความโกรธความเพียรบาทจองล้างจองผลานออกจากจิตใช้หมดเมื่อาศยการส่งพรมวิหารสี่ สามแตกความหลงออกไปเสียหมดเดิมหน้ของปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในกายแนละกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวมง่ายเดียว็เรียก ว, ว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสีคือเห็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาง่าย okay, ชาติวิทุกข้าความเกิดเป็นทุกข์เจราวิทุกข้าความแก่เป็นทุกข์เมินนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกกระปริเทวทุกขโทมนัสสุภายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความทัดแฝงแจกของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อนี้ผมพูดปีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะ่ะเป็นพู้สูตรบ้างหรือเปล่าเพราอว่าจำไม่ได้ไหมเขาก็นาไปคิดนาไปพิจารณาบ้างหรือเปล่าเป็นผู้สูตรหรือเป่าเป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้มันก็จำอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออก ส่วนที่ย้ายเข้ารูด ป, ปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้าส่วนนี้เข้าไปแล้วรูดให้กว้างเทออกมันกเเ็เลยไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นเพระสูตรจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจํากันใหนได้มาเป็นของไม่อยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดวสิกนิดสิวะ่ะไออะไรที่มันเป็นทุกข์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 มันจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดมันก็เยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่นโกโก้หกสามชมั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุยคูย่เอาเขายันขึ้นมาทั้งอกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลงนั่งพิจารณาดูแลอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนๆแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านพูดเป็นแม่ก็ไม่ทราบเด็กที่ต้องตายในท้องสะนับไม่ทวนเพราะว่ามารดาบิดามองไม่เห็นทุกขของลูกภายในว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างมี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกข์ทํามองไม่เห็นออกมาจะคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดาเนี่มันกระทุก ออกมาแล้วอยู่ในคัน์มารดาและความอบ อ, อุ่นจาไฟถ่ายของร่างกายมารดาออกมากระทบกับอากาศไปใหม่เกิดการแสบตัวเสียงร้องจ่าปลายกฏนั่ น, สนแสดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวนันก็เป็นทุกข์พอออกมาเป็นเด็กขี่ตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้น มันเละเทอะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอาการสุขบกโสโคกอย่างนั้นมันทนไม่ไหวจึงได้ร้องออกมาแสดงเพื่ความทุกข์แต่จะหิวอาหารต้องการจะกินอาหารไม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคนจะรู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจึงต้องร้องนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความว่าเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหาอะไรเป็นสุขไม่ได้รอารมณ์สันส้นๆแปลวา่าความหิวความกระหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายทุกวันที่ปรากฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมามีความสุขหรือความทุกข์าการปวดอุจจาระปัสสวะมันสุขหรือมันทุกข์ เป็นทุกข์ถ้ามันจะตายขึ้นมาละ่ะมันสุขหือมันทุกข์นี่คนนั่งคิดเอาแล้ไปตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นว่าทุกข์แต่คนมีตาก็ทูหูกระทะเท่านั้นเป็นพวกพระโรูดไม่ใช่พระูสูตรแต่พระโหสูตรแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้ว นี่เมื่อทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒ น, นาเวลานี้ใมันหมดมันเกินเวลาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นทุกคนมันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกข์มันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ชันทะทุกข์มันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัญหาอยากอะไรอยากรัก ในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากกรวยอยากโรากรธอยากหลงว่านั่นเป็นข้องกูนี่เป็นข้องกูนั่นมันทุกอย่างทุกทุกเสียง ท, ท, ทุกอย่างเป็นข้องกูไปหมดนี้่อาาสายความอยากที่กล่าวมานี่แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายัางติดความอยากอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุก ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุกเรายังคืนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ตอนี้ทายัางไงก็หาทางทำลายความทุกข์ตลารอยเหตุของความทุกข์คือความอยากไอหนึ่งอยากรักแม้ทำลายอยากแล้วเกินอยากรวย มันอยากมาเสนานแล้วทำลายยากได้อยา ก, ายากโกรธอยากเพยาาียบหันทำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยากทำไมจงว่าย า, ยากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ผูวยา่าตายายนี่แหละสําคัญนะัก ส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรต็เพรว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถอะอยาจะหาคู่ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ใช่แต่ไปถามตัวเองว่าไอ้การมีลูกมีหลานมาเป็นสุขเป็นทุกข์บอกโอ้ยทุกข์เหลือเกินจ้ะ แม้มันเดือดร้อนลูกแต่ละคนเลี้ยงมากกว่าจะโตได้ก็เสียงเงินเสียทองกระทบกระทั่งอา ร, รมณ์ที่ไม่พอใจบางคนลูกอกตันยูไม่รู้คุณก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแก่ตัวนะตัวไม่ได้จําเมื่อลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาคู่ครองให้คิดว่ามันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้มีความสุข ก็ไอตัวเองเนี่ยสร้างพบกับความทุกข์มาแล้วถ้าคนอื่นมันกระทบมันประสบเหตุอย่างไรแล้วนั่งเข้ามันจะเป็นความสุขตรงไหนนี่นี่ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันยังละยากใครเน่ะก็พ่อก็แม่นั่นแหละเป็นตัวสำคัญมากในตัวโลบโมโทรสันนี่กันเหมือนกันท่านพ่อท่านแม่นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด สั่งให้แต่เกียร์แต่กายโลกโมโทสันไม่มีจังหวัดถ้าหากินในสมมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่วา่าสอนให้โกงเขาบ้างให้เยอะแยะทรัพย์สินเขาบ้างให้ยักยอกเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงตำไมว่าเป็นความในโลกข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสาคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ให้ลูกเดียวเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีม嘛 ตอนเด็กๆตามใจเกินเกินไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มานั่งเป็นทุกข์ในความโกรธความพยายามบัตนี่ก็ไม่กันคบค่าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่ไม่อยาสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครก็ทําไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดหักล้างให้ได้นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสือและนี้เราก็เลยเสียไปเด็กยพนก็ถอนไม่ออก ในการจำมันนั่นของเรานี่ของเรานั่นของเร า, เราคนแก่แสนยยแก่หนังเหวี่ยวหนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตายยังคิดหงใยสองดูสองหลานว่านนของกูหนี่ของกูนั่นของกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยตัวอาจารย์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อใต้กับอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อย พต้ธะสร้างอารมณ์กันใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระชอมไตรปมศาสตร์ธดาจึงแนะนำว่าต้องใช้วิทยะความเพียรอย่างหนักใช่เหตุใช้ผลว่าทำไมหนอเราจึงจะตัดราคะความรักในเพศเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภะความโลภเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความ จ, าจะบปดเสียได้ ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดความหลงเส้นได้ร้อ้ตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัจต่อมาแล้วก็นั่งพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนพรองค์สมเด็จพูะสุธรรสวัสดว่าท่านแนะนำว่า อ, อย่างไงขอการจะตัดความรักในเพศหรือ ก็ตรงช่างใช้กายยะตานุปฏิกรรมฐานก็อาสุภกรรมฐานดี่เข้าประหัตประหารมันไม่ชาความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริงเราแยกตัดความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาทศนิการมีการให้ฐานเป็นการปลักดันความโลภให้ออกไป เราจะทำลายความโกรธความยมบายเขาน้อำนาจปรมวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเนี่ยเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูร่างกายมันเชื่อเราบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไรแนะนำมันเท่าไรมันไม่เคยเชื่อ นี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ครัมันมันก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะไปทีเล็กเคาะไปทีน้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพราะวันเริ่มต้นให้รู้จักใช้ที่บาทสี่ ตามาองสมเด็จประมหาวันีตรัสว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอ า, จาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นวาเสมอคือจิตตังเหมือนกับที่อธิบายไว้ในพระธรรมวัุนี้ว่าคำภาวนาหรือว่าพิจารณาเนี่ยยาร่อยให้ว่างจากอารมณ์อของจิตเืออ่าให้จิตมันว่างถ้าจิตมันว่างจากภ า, าตตระกติดการงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้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 หมายความว่าอารมณ์ไม่ว่างว่างจากการคิดอย่างอื่นเมื่อะไรคำภาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์พิจารณาเกิดขึ้นกับใจทันทีท า, าวทาวบงทีท่านจะบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวไหมมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชินภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงไม่ได้จํากัดไว้ ชอบใจอะไรเอาได้หมดเมืว่าคราวนี้เราจะสอนมหาฏิปฐานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปด้วยมหาปฏิปฐานสนสรดแบบพิสดารแล้วก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจำสำนักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปฐานนสุดเป็นปกติและความจริงตอนเช้ามืด ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรใจใช้ปฏิบัติอาภิเะคือประสูดาบันกับว่เรามีสิบรการบนตอนเช้าหมดไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็รดับกิเลสอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจเพื่อบรรดาท่านผู้รับฟังได้กำหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจ จ, จดจ่ออยู่อย่างนี้หาก็จะบอกว่ายากคุณจะตอบว่าไม่ยาก เมื่อมีอารมณ์ชินและอารมณ์จิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองเพราะว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินสรีก็ใช้วิบังคาตัวนี้เป็นตัวสาคัญก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่พัจพวนากรที่จะพิจารณา เราจะใช้ฉันทาความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตใจใจจิตจิตตะเอาจิตใจไปจดจ่อตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเบ็นงเครื่องพิจารณาพิจารณาว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ถูกต้องตามบทบัญญัติที่องสมเด็จพระินทรศีบรามาสันดาสัมมาสัมพุทธนเจ้าทรงแนะนําไว้หรือเปล่าถ้าถูกต้องตามนั้นใช้ได้ถ้าไม่ตรงใช้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงตหรับตํารามีคําสอนมีจะทําเป็นพวกพระโหรูดนะจงเป็นพระโหสุดถ้าทําเป็นพระโหรูธแล้วก็ ลงเอาเวจีมานรกกันแน่เพราะอยู่ในเขตปูชนีทุกญาติบุคคลในเขตปูชนียสถานชาว บ, บ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาว บ, บ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เ้าบูชาเขาให้ข้าวกินเราไม่ใช่ธราวัตธรรมดาต้องทําตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียนให้มันถูกจังหวะ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 ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คาว่าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปฏิบัติใน ก, ก่อนเนี้ใช้จิตแต่ก็ใช้ปัญญาไข้ควรแช่ดีเป็นอันว่าวิมางสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสาคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพย า, ายามไข้ควรหยุดเสมอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดเปราการใด เราจะแก้จุดไหนมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรถ้าแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระเยซีสทรงแนะนำแล้วเปล่าว่ามาถูกแล้วมันผิดนี่เป็นอันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีธิบาทิทั้งสี่ประการปฏิบัติแล้วควบคุมกำลังใจไว้ปฏิบัติ ทั้งทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถวิปสัสนาคำว่ายากในการในปฏิบัติการปฏิบัติมันก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไรกันไม่ได้ดีก็ขาดปธิบาสิีบวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าศักดิ์แต่ว่าบวชไม่ได้มุ่งความดีในพระพุทธศาสนา เป็นอุปสมะปชิริกาบวชอาศัยระศาสนากินอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็เป็นเหี่ยของอบายภูมิอรบันดาท่านประโยชคาวจรอยลยสาหรับการแนะนำกันในวันนี้เห็นว่าจะเป็นการสมควรก็เวลาต่อทีนี้ไปก็บันดาท่านอลายจงปฏิบัติธรรมะ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 เต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคิดไว้สองความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาแล้วสามมีศีลบริสุทธิ์สี่มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกําลังใจคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนก็ได้ตามอธัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินโดยแบบจงกรมก็ได้จะนอนก็ได้เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนก็เป็นไป ต, ตามอธัธยาศัยของท่านจะไม่กำหนดเวลาให้และต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินท ร, ร์สบีบรมศาสัญดาสมาสมุทัยเจ้า ที่แนะนำมาแล้วนี้จึงกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี